วันไนนี่จะส่งพรราชาเถิดตีนพระพุทธเจ้าก็ได้ออกจากโลกโลที่เป็นเดรัจฉาพอเดินผ่าผารสันหรือรว่าอาศัยฤทธิเดชมากาขับมาขับไหวของพ่อมหากตรต า, ฐาแล้วก็ได้ลุกลุกขึ้นแล้วก็ปิดไหตามเดิมนี่ปัญหาสัตรมาวาริศพระพุทธเจ้าว่าเทวดาบรดามันมีทุกอ เขนาดี่อนน่อ้มมอ า, ามาหารัฐบ า, า, าลา บ, าาบอกว่าสัตว์เราผี บ, อ, อ, อ, บอ่ะอมอมาจบอกีบอ่ะโยพวกขลุกขลิศ้าเก่ามากพอองเก่าส่อนอเก่าอันนี้แลพกพอโควิดเบิดเลยแต่ทุกคนจะเป็นพระลหนันแล้วก็จะเอาโทษกันที่อยงอันนี้ใหต้ตามธรรเนียมเลคมองการเพื่อน่าเพืผานที่เปเข้าสูคนนี้ผ่านแต่ละ พ, พ, นนพอองเก่า จะเป็นข้อเร็ดทชั้นร้อนไปท่านูกท่านเก่าในห้องหายหาลูกหาเก่าโรดเก่าไม่ใช่ต้องโสดหน้าเถิดนะครับชาตจะเป็นแพะจะเป็นแม่แพะจะกลัวน้าคุณนจับผัวผัวจะต้องกินน้ำโตเป็นเนี่ยโตแม่นมี่ยจะกลวน้าคุ้นจับผัวงงตะกร อ, อนอน่น เกาเริ Nokia, muscle, so get, so so ่กรมอมก็ต like ้งส่งเขาตัวหน้าเจ้าเขาเถื่อนขาเป็นาน้าเ้านฟาอนโงเก่าแล้วผูเนี่เป็นพระราหนแต่ทุกคนจะเป็นพราหนจเป็นเล่นเป็นไ่แบนี้เป็นทาวันแ้เทปเป็นจานนี้นเครื่องพอดสภาแหุ่กคนหลหลังให้ท้จำใหถูกาการเข้าโรกตกกันหน้าเป็นทุกคนจะเป็นพาหนเออกกลังอากเหมืนกัน มันกบอ้อเลยอะ่ะมันเห็เป็นทัา เ, เนี่ยไม่ใช่พวกคนทั้งหลายนักจักกาวนี่เห็น่อยโพสตัวการโบซาถูกเพี้ยนมันผิดที่สูดทั้งหลายบวกคนโบซาถูกเพี้ยนไมกคนโูซาดอกไม่ ดอกไม้ได้วูเพี้ยมที่เขาหามาโดยเป็นถ้ำขคนโมซ่าอยู่ไปพยายามหาห่าถือไปพยาาาบอกแต่เนี่ยพยายามไปหาเก็บดอกไม้ดอกอะไรน่าเป็นัเป็นว่าหนมาถือเขาเอามาให้โดเป็นถ้ำนอกจากโมซ่าคุณเคุกเป็นมโรยเป็นถ้ว่อหิสโมซ่าหอนกระท่าทรายกระท่าท้ายเอาดอกหัวมาให้ทามาไร้ำอาไรเลย รับดอกบัวกับกอท่าท้ายบ้านเราเป็นเท่าผมองมักดอกไม้ไปเจ้าดอกไม้ไปต้นสาวก็เั่นว่าออกไปบุญนี่แน่ไปตัวเพินเนมางดอกไม้เพนมากของหอมหม่าสั่นของหอมเพิ่นกบมากของเพิ่นกบมากกันเนี่ยวิชาเพิ่นอาจารย์วิชาจักรอาจารย์ยานังเอตมังค์กบมุตมังค์ชาสองอันนี้ศักดวิชาบุษยาเรื่องอันนี้สิบศักดิ์วิชาบุษาเรื่องิบวันนักศาสาารถทำอันนี้เส็จไม่ได้ เที่คำถานกันมือนกันเนที่คำถานสองอาวิสัชน์เป็นที่คำถามป็นที่คำถามได้เอาวิชีมาคยูหรือตลอดทางที่คือยู่ที่อาศัยการที่กาลังเข้าที่นีอยู่ธรรมะเป็นสีนฐาเนที่คำถามโดยธรรมโดอแสดงธรรม้วยศึกษาธรรมในทางธรรมนี่คืาธรรมะเป็นสีนคาเป็นที่คำฐานทค่สองอย่างนี้จะเล่นไม่ได้ ผู้เขาละปัจจุบันสันสานผู้นั้นจะพุทโธภายใชามโดยแท้ปิัิสกคาราวากมมะคารวการาคาราวกาิจขาคาราวกาะที่สัานคาราวการือใดเขารบสารวะหสงายอย่างนี้แต่ขได้ขอดข้อดนีึ้งข้อดีผูน้ทาใวจจัสกคาราวารมะคกรท่สันสรกาะกองนีได้ด้ัอนั้น หนูงูมาเนี่ยฮ่าว่าเห็นแต่เราเขาลองพยาบาลใช้ยาเคลือบเลยป้๊บบริโภคได่จะน้าคนจะคนหนูคิดแั่สั่นสีสียาเนี่ก็โอ้ยจะมันหยาบมันซาดเลยแก้วใช่ไหสียาเนี่ยบ่ห้สิเขาจะเข็จะห่างน้ำพร้อมมันมีเงาเหรอมันเลยจะเปนอะไรตัวเขาผสมแต่ชนะพ่นเขาบ่อเกาจะร้กเข้ามาอย่างนี้ คนบะชงไก่สังกะพุ่มคหว่างยานนีุ้่มขางพระเจ้าพระกระเรียวอคนวนนิจฉสววมเ่อนสวยาทใจนังยานิสาขา่บานพัดตอนนี <ção> <m uch os> ้ผู t <t <kind of story> ้คนน้องใหม่นสันเรวจังมอห้นีสวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนสู้เขาคลั่กเลยตั่ลูอ๋อวันนี มันกูฟูหาพอน่าย่ายไว้ขืนยานเท่ารื่มแต่เข้าออกอะขอแม่กลมเข้าอยู่ฉันออกแ ม, ม่กลมกลมอยู่ข้งแ ม, ม่กลมกลมเนียรก็ค่อยเ ข, ข, ข้ามั น, มนมดใหม่เหมือนที่อันนี้ก็บมงึงงาอันนี้กับมึงงาคือยังสมัยรูู่มันมันก็ไหวฮะ้าก็ะ่บมี่ พี่คีมุ่งไปตรงกอกระไรจะไปหาลูกไปตรงกอสมอยัวนั่ก็บ่นี่เนี่ยเขาจะให้สอนย่างเลยี่คีเาเชื่อจะนั่งหลวงวัดมากุติเชื่อจะนั่งเช่าสุดไอ่เจ้ามาหามังโรสมอเยเช่อจนั่งเขามาเขาหล้นใบหล่นใบมันไปแจกเช่นเอาม่เ็นมัดเสมอนั่งชิ้นไ่เชื่อจะนั่งจะไปเก่งหรือเชื่อเสมอ ก็ไ่ได้แ่อ่วัด่สิโอ้ยมันกับการเก่ามันาแห่งมนก็่มี่ยตคนสมคนข่านดีวกรน่านรอื่นเขาบอกว่าติด้อมศัรูพดมาเจนุ่มเน่านเน่ยงเห็นกัอมเดืออน่ย เนี่ยนีนม่มนจะพนาไกโนนเป็นจุนเข า, ขาสิานเขาสุด้ายคืมันรพบุรุษเก่าอานี่ในเมืองยินเดียดสไลดนี่นที่ายเขาเนี่ยไปว่าที่ ไ, ปไปห้เขาก็กรรมนี้อยู่าก็กำไม่นี้ยเขาโมเหตุเนาะนด็กสไลด์ที่เ ก, กิดการบังับใจะปลง บุญบีบาบกยังด่่รบบุบ่บุบงี้ใครคิมาบวชใช่ไหคนของกรรบวงี้ยายามเชีคนกกลยะาอเร่องัตถุวัตถอคนเกิดสัตว์นนิจานองหนึ่งครอบแก่สั์าองนึง ข้อมจิบก็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งตายก็เป็นอาจารย์องค์นึงข้อมปักชนะอวเร็กขอวังก็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งขุมตัวข้อมนอกเป็นอาจารย์องค์หนึ่งข้อมอมันว่าเที่ยงก็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งข้อมเป็นทุกแย่ทุกเจ็บทุกตายก็เป็นอาจารย์องค์หนึ่งที่ของเจ็บปากทั้งเนื้อท้งหอวยอเนาตายออกข้งก้นก็เป็นอาจารย์ด้วยทั้งนั้น ไปใช้กระอได้อาจารย์ไปใช้เข็มได้อาจารย์าออมาพิจารณาออมาเขารล ก, กเห็กว่าคัาเทศสือแต่ใช้ก็มกันเทศเท่านั้นเมื่อน้ออกเมื่อนี่นนออนเนกันเทศเท่านั้นหร อ, อกคือเลื่อนกินอีกก็่่ไรนักเทา ไมคิดมึงกเข้าไปมงจะฆ่าของมึงมึงร้นี่ยมัดบมึงรู้นั่นนี่แหละนี่จะอาจารย์เหยงว่ามีเรื่องอะไรเกิดมึงควรคมเนาขอบุรุษธรรมะมึงเกลียมเก็ียบตทวายขอบุรุษธรรมะเอออานิจจังขงบุรุษธรรมะผลของอานิจจังคือทุกข์ขอบุรุษธรรมะอันมันเง mm. in ินชาติโลกมันเงินลูกคนเปลี่ยนไปสาวดิน้นามไร่มปลี่ยนชั่เป็นกายเป็นเนื้เปลี่ยนจะสาวสังขาร เกิดขึ้นมาเนี่ยแปลปอนแป่สไลด์อันนั้นผม่ารองธรรมะเอาคุณนมาคุ้นมาทำผสงกัจริงด้วยว่าเมียก็ไม่งินเคลื่อนเพรองทํามะเมื่อห้าวงผาเพื่อนมาแก้สเกียรเดี๋ยวก็บลลงมากีผามือก็ผาเพื่อเขาที่แกงไปเยอะในกองมุ่นเนี่ยเพราะม่ต้องเกินโอเคเกียรหนาขายรองธรรมากรแบบเนี่มันรอมันหน่งเงนเงนเพื่อนก็ภาคูนยึดต้องเพิ่อนก็สเก ใจมันจะเล่นเจ็บจะเล่นเจ็บใจนั่งวันวันจะใจนั่งมองคุณพี่เจ้าคุณของคุณพี่เจ้าคุณี่ัวเงินวลื่อนนี่ตัว ม, ตมานคุณขอพฆฆมพิวเตอร์ทานจะซือกัง น, น, น, นคับเป็นกองทุกข์ขอันซื้อเงินเจ็บมันเง่นเงินขึ้นเงินเดียวนักเสรดเองด้วท่านั้นเจ็ถึงเจ้าเสาไม่จับก็จับสมาราม์รละ่ะนี่ใจรท่าน ข้าวเสอมาฟังเลยขาสก็ฟัง้าสดหน้าาีก็คหน้ า, น, านู่กับตรงนี้่พูกครอบอกผกบอกเป็นท่านู้ดูสวนนีนี่นโเคดูตัวตังบอกนีั้งึ่ ง, ขงเาขาแคลาเียกดา เ่เป็กแ้แปากเลย่ายออก เ, อเป็นยาโน้อยจะคืนกินได้บ่อนี่เป็อาจารย์ใั้นนาะวาการเกษตรกรวางเลยนันนยขข่นส ะ, ะเทศนหนาที่หลังเงี้อเสียงเ้าค้บสุกมันยังทุกข์ก็ผลลับแบบนั่นธรรมเสด็าสนาสนั่นแหละกายนี่มีทุกข์มากมีโทษมาก เราเาธาตุต่งยับังในกายนีแล้วถ้าพัดโลกโลกในาโลกในหัโลกสมุขโลกไมู่ีโลกในกายในดีเดียบโลกหวานโลกที่ชีวังลส้ความเ็บดขึ้นจากแลดูแปรปวนความเจ็บปดขึ้นจากถ้าเปลี่ยนอิเดียบไปเสมนพิษภาษาหิ้าว็เป็นทุกข์พิษภาษาหิ้วน่าก็เป็นทุกข์พิษภาษาพิษาษหิ้วต้อหิ้วเน่าเขาเป็นทุกข์อิจตโรปตโทุกขห ปวดอุจจาระปวดปัสาวะพอเป็นทุกข์้วก่อนมไปเยี่ยออกัไป่ายอ้าวมันไปเยี่ยงออก้นมลดมันมันซอนมาหายมาล้วนมาเหลิมันมันค้องเหลิมแย่น่ไม่รู้อันนี้นี่จะค้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่จะทั้งขาโลกทั้งนั้นโลกทั้งปวงรวมมากๆเลทั้งขาโลกน่ะทั้งขาลามปาลมาทกขาทั้งขาเป็นทุกอย่างยิ่ง นพ yeah says, ี่ชนทุกย่างยิ่งเรียกว่าพี่ชนลงย่างยิ่งจันทเรียกว่าชนะพ้นหลงย่างยิ่งคือันรเรียกว่าชนะพ้นเมา่ย่างยิ่งพันทเรียกว่าบนนใจย่างยิ่งคือจันเรียกว่าเป็นศิลธรมะที่ปัญญาย่างยิ่งคือจันเรียกว่าทำความเพียรย่างเดียวย่างยิ่งคือจันทท่าเรียาธรมทตอนตัวเรียกว่า ที่แคหนเป็นเค่งออกบาคหนว่าสิดเป็นเค่อดูี่าเพิ่องไอ้วกขวมเบื่อน่ายวตาสงสาม้เล็แห่่ามมันจิตแจ้งใอ้เล็ลาบเรอคัคัมมันถือว่าเป็นทุกอย่างมันนอกเคล็ลาบเองมันม่วสาจเบังคับมันจิบังคับไอ้เล็แาบมันก็บ่ถือทีัถ้ามันเห็นามันจะตทุกอย่ามันเคล็ลาบเองมัน ขึ้นห้อกับไฟอ่ะถ้าจบังคับมนมันห่อนมันกับอะไรห่อนบ่อเหรอมึงเช็บ่ว่าใั่หรือเ่อันผอื่นว่นนาจจะฟ้องบ่อตองแล้ราขับแล้วเห็นกิ่ น, น, นยังได้สั่งไ่ดีเลยไม่ร่าไม่ห น, น, น่อยอ่ะก็หายใจเข้าหายใจออกก็ชีวิตจวนดิน เรื่งรเนยดี่แก็ตายก็มเล่นหากินเงยอีกกองกองอยู uh ่ดีตายมาแล่นผมได้ไปจับเรื่เนี้ไม่ทราบเผาจะฟ้อง่ม่ก็ล่นขึ้นไมเดือนคือเผากิเลสจะฟ้องเผากอโง่จะฟ้องอ่านะว่าเผาออกฝันยาเผาผู้เด่นทีะกงโง่ก็ม่จะฝันยาอนะ่ะ กูได้ศีนะเพมหลงนีสภาสติพปัญญาพงคืนฐานสุขอ ข, อของทรัพย์ทรัพย์ละเนืออื่นไม่มีศีลชนะดอกนี่เกิดขึ้นเรื่อนี้มันก็ต้องต้อูกั น, นเรื่องนี้เพราะหลวงู่หลงก็ยืนนี่เ่อดี๋ยอยู่บนอืน่อนนั่นมันเข้านอนมันแตนอนนั่มเ้านั่งห่นั่นเข้ายืนแตยืนนั่มแล้วยืนเดินนั่ง น, น, นัลักตื่นเมื่คิดมันก็เชียงบนเชียงก่ำวนัน มันก็คิดไปในทักษะหน้าที่ใ น, ในใจกระขับหลุดรบฝันโดยวิธีไรไม่ทราบที่อยู่ในควเชื่อมบนเชียอมกำมันนี่นั่นล่งไปลงไปล่วงไปล่วงไปเรื่องนี้มันเคยมาอยู่เวลาเขาไม่ล่วงไป มันลายอีกตัวหนึ่งหลอกมาอีกของมันว่ามันยิงเราหลอกเขาหลอกเกิดหลอดับของเก่าเกิดไหมเหรอขว่าเกิดของเก่าเหรอเนี้ยแก้ไหมบอกว่าสคแก้ของเก่าค่อยจะแก้มาเนี่ยเย็บไหมตายไหมบอกว่าของเก่าเหรอเนี่ยมันคิดกั่หนึ่งขั้นพุทธนะครับลูกาวมันมันวานไหมว่าว่านเก่าเหรอคือเคยมันเลี่ยนมากนย่างเงี้ยอยู่การสิ่ที่ว่ามีแต่หมดอุกอย่าง รับดีปีหม่ค่ะปีใหนนสวรรคปีใหม่ค่ะปีใหม่นยเงินยรัอสสวรรคข้ามบุญข้บุญเมื่อตาเมื่อสวลอง์เห็นหงุดหงิดก้อนรับเมื่องวรรคหเมือนงุดหงเด้ามดีค่ะสองรคดีนตัวเะไรเด้อข้ามโซ่ค่ะสวรรค์โซ่นตัวแล้วเนี่ยรับตาเขากระมือก็จะสลรรค์เมือเมื่อตาเขากระสวรรคเห็นหูงนั่นนั่งก็สลองนั่งยืนก็สวรรค์ร้องยืนเนี่ นึกคิดก็สล้องนึกคิดเนี่ยมันสลองเนี่ยตัวมะนะั่งเหรท่านดีก็สล้องดีมันก็สล้องเตัวมั่งเหท่านตัวก็สล้องตัวมันกนะ็ตัวเนีตัวมั่ว่าอะไรน่ะเนี่ขาจะคิดก็สลองคิดมันก็สลองกับมั่นเหรอเห็ันล้มมนจงมโนนั่นในการสลองสมบูรณ์สมุดถอยหนอ เดียมนสรอยยังได้วยอ่เนี่ยคว่าคิดลากเขาก่นอ่ะสร้อยคำว่าห้าไปสร้องัวเนี่ยวมันเอาบาเอาบุญก็หบสรลอยสลากสลามันเอาบาเอาบุญก็หอบสลาจิิดสลาใจนตัวผู้สิไดขั้กับขั้ิดขใจท่นตัวบับัตรคิบัาใจท่นตัวผู้สิไดผู้สิไดก็ได้ที่เป็นเื่อนเหื่อนก็บออานําเป็นบักรปเหื่อนเหื่อนก็บรรับน้ำเื่อนบ่ได้ก็ต๊บารบผู้สิบ่ได้ต๊บรมีหน้ เไม่ค so so so so er. ิดเพื่อใจก็ในเพื่นไม่ใส่ใจมีตัวทําบนกระําอยังมีตัวอย่ากลสมัยย่างเพราะว่าสมัยหนึ่งสมัยคิดสมัยใจก็เป็นผู้พาเหตุใสมัยไม่ใส่ใจที่็ะตัวกะไรนี่สมัยอกราคาบหนึ่งเหกางสมัยย่าง พระขาว่าพทียังหาพระทีเทศตัวนีน่าท้าปีนี้สระอาวาเมอนแต่โคพระข้าว่ายังมีสมัยนกระลาับหนึงขบนึงขับนึงขับนึงขับงข่งขัน่องค์หนึ่งประเทศพรวัดบากหลวูก็ะราบว่าปู่ขับาดนอกเนี่ยนอกวสัขับบอกว่าเลาจะเนี่ยอว่าสวไปออกฟังโลว่าตึงตึงไป่ลว ทำไมอะครับหนึ่งอับนึ่งับนึ่งน้อยสั่งด็้องสั่งมึงมตัวซื้อเลยมนไในแค่ขเทซื้อวัดอแกกเด็พันออกข้ายนุย์ขับวดด้นาข้าพว่างว่าสั่งบว่าเป็นพันมันกัน้อยเนี้ยตายล้วะดอน มาเ พ, พืตายบ่เือคือ เ, อาา เ, อเื่อ่ถ า, า, า, ถาคือถาถาแก้ถาเก็บาตายบ่ถาคือถาเพราะมันตามเมันจ่อยู่มั น, ออมนกองทับจออบออ่ออยู่บ่ค่ายออกคือเตือนอยู่ขับบ่ว่างขับฟาดบ่ว่างขอมแก่กับขับฟาดบ่ว่างค้มเก็บ ก็ขาขวปดเบา่างควบตายจากขาว้ายๆเชงกับข่าวปาดเบา่างเนี่ยวันทีเจา้าซื้อซ้อนหยเลื่องเขาเนอะัก่าวมันเนียเป็นสาตร์มนุษย์เลยข้ามันเนี่ยไปเป็นสาตร์ศาสตร์ที่สามแล้วมันยากเกี่ยวกับพิจับเด้กวสิโวยคือว่าเป็นมนุษย์มิจฉาไร่ฉไร่ัก่าวเนียเป็นมนุษย์เสิบดวนเนอะเดียเสี ย, จยใจไา่หลังเลยนี่จะเสียใจไา่หลัง ว่าสิเยวเป็นมนุษย์ยากแค่ว่าเป็นมนุษย์ได้เลยกว่าสิได้ว่าบวชกับเป็นข้องยากอีกแด้ว่าบวชแล้วกว่าสิได้ว่าปฏิบัติกับเป็นข้องยากอีกในปฏิบัติกว่าจิเข้าใจว้อหมายในการปฏิบัติกับเป็นข้องยากอีกกว่าสิที่หน้าหนึ่งเรื่องก็เป็นข้องยากอีกนะครับ้เรายินดีนการปฏิบัติเจอคนทุกคนท้องสาราตร์เกิดาบารมีให้สั่งแก่ทางเนย เ่อเข้า eh? ัจบว่าเข้าแกก้าเข้าก็ะแหงเห็นใันไมแก้้านเมื่อหัวจว่าเข้ากี่คาัเข้าก็บอกว่าสิแอบกินแล้วสี่ครัเขาก็มั่นแค่เมื่อหวจว่าเขาวัดชนะหน่อยเข้าก็บอกว่าสีแอบกินแววัดนะหน่อยเขาก็พยายามฟังโอ้ยผู้ข่าวในวัดชนะหน่อยเสีนงก็ได้เรียล้วก็ไปจมวัดในวัดชนะหน่อยมึงดูพวกป อายุให้กินคนเด็กินแล้พอลากค้าไปใ้กระทุกูกคาไปใช้กระทุ ก, ก, ท ก, ก, ทกพวกเฮ็ดเอียงนุ่งนอนง น, นองมัดมือมึงรู้ก็เฮ็ดอีงองเขาแค่ว่าไม่ได้กินเนี่ยท่จมทั้งเฮ็ดนี่นนยท่านสนใจทัาเฮ็ดว่อย่ากไรท่านมีผ้านี้าอยากไรท่านิีผ้านี้ทองมึงซือมันกับอะไดเท่ากันแต่หั่เด็กกับบาร์ไรสินเนี่ เถาารณ์คิดนนนากริดหนึ่งี่อันนี้กอันนี้เลย่ือเกือถือือตายมาไ้าไ้หแเือเ่เื่อเกาเง่นเ่นาเห็นแกเนกันมาแล้วให้เเปยัีงต้องสิตายเปนน่ยงสอย่งสายง อะไรเราไม่รู้เนี่ยเกิดึ้นมืหตายก็เป็ียนนี่ยังงนะคืี้เนยที่สั่งของคืนมีเรียนยนที่ยยสัง่งของคือปุงแตงด้วยข้นคือสั่แตงรดแ ต, ง, ดแตงเนื้อแตงเสียนมาแล้วก็ดีแตงเนื้อแตงทาบปลูกึ้นมาแล้วกอดีเนี่ยเพลวเป็ยนแกวเป็นปนี่ยังไงนี่ยังของอยังหามีกแม่หรแล้วมีกแน่นนร แก่ตสลายเนี่ตัชื่ออริจังมี่ก็ไปจาโลกนี่คือตัวหลักันเมื่อไปจาโลกนี่มันมีบนไหล่จำจะเอาไปกินไซหันแต่ไมนาพอได้อันเดียวไปแต่ไม่นา่าจะพอได้อันเดียนันจะเริ่มตัวกอะตางชอบกินอัไนก็บได้นี้จะชองกินอะไร น, นง น, นี่ก็บริฝนใ น, น็นกองข้ามาพี่แก่น่าที่แก น, น่าแก่คนลงกับของ นี่สูกพอในงานค้าเหยนน่เองนันก็ต้องเป็นนักสืบหาอยู่เพียงเท่านมีหม้อมาใม้มีสุกพอในงาค้าเหีต่มันมีแต่กองสุกเสมอฝากเสมอเพราะว่าลักษณะที่มีสินั้าแก่สังขารสังพวงเรียกใจลักษณะแก่เป็นสมอย่างสามมัญญินี่ยลักษณะสามอย่างหนึ่งอันนี้จะตาความม่เที่ยงสองทุตตาความเป็นทุกข์สามอนาตาความเป่ของไม่ใช่ตน เสมอผากกันมันหนากองเลยเสมเมื่อวานนี่เป็นเสมอผาคกันเมืมอเ mm hmm. ่อหนากงแล้วท่านสิวาพระพุทธเจ้าไปไปรีบไปวังนี่เลยคร่บข้าพี่เดี๋ยว น, น, นี้น่ามีนเนืองเมื่อกับเป็นตัวสนตัวเ ส, สมอพี่ตัวกันไ่าจเป็นตัวมันอกัเป็นมกักแปดกันตัวนีเอามากแปดมักขาบมากักนีย้ยทั้งหมดเอานักสีน่าสว่ามักเี่ยงอบั เลียนัีนี่แงวเกียวข้อไ้หาว่าพี่เอ่ยแวเี่ยวข้อะทัมดัญญาเรียนแส่กี่ยวข้อรมดี่างเาสมีมีี่านแ่ข้าเกี่ยวข้ออะเลยนอังหมดเาเห็นทุกสัตว์มันก็ละอ่าเองมันเ็มมุหมันว่าเทียงสัตว์วัดตาสงสารเห็นทุกสัตเห็นขุมมมมันว่เทียงสัตว์เห็นขุมผสมผสมสัตว์ มก็อ่อนเลยออนะออกลิ้งออกไล่หละแล้วอ่าแหละอนอ่อนัเยมื่อสรล้อาจะหยายอกมวยกับเจ้าของ่ลยเดี๋วันไปตั้งมวยพวกนู้ไปเลยเเดืยซอมลาซอมรวกนู้นเอเมื่อแล้วกับเมื่อเท่าไหร่เมื่จะไม่กับม่อจะตั้งห้อกับเม่อ ตอนี si ้ในไโรคกระต่ยเนียมันคือพระเพลดเพรับคิดคิดสมารณ์เนี่ยเนี่ยวัฒวรรมอินทพงศ์พระอพระการจะสรุกระบวนนั่คือสมารณ์อเขาลงมาซื้ตัวกันปฏิบัติดีปัิบัิสอบเนี่ดนรว่าเนี่ยจะโล่ขั้วโซเน่ปฏิบัิเจอคนทุกในวัต่างสงสารเนี่ยก็เห็นไในวต่างสงสารยาเสที่เนี่าห้องิแก้บไเรียนยา ถ้าไปยังกังที่ตัางนาไปถูกเว้นถูกไผ่ก็พ้นก็ดอกวมที่บ่าถูกขัวเสียแล้วเสียบไปพนิพานนั่นหบอกนี่้หัวครับสินทำนี้เสมอดนี่ยไ่ได้ะเครับเพื่อจิตหอกสินขาหล้มูนได้แล้วจิบับเจ้าคนทุกนะว่าเ้าท้งสามตัางเนีเออหลองสันนรอว่าเาเงินไม่หาเจ็บ่าบกนดีกองเจ็บปุ้ยตะก้อน ขันจีเดทามวยดยอ้อนฟอน่องเข้าสุดายังฉันนี่จะสิเป็นเศเสีลมาเฝ้าวิ่งเนี่ยเขาแกงสร้างให้อยอดย่างมามือน้่ให้ากินของกินดีๆสะเบิเนื้อใส่รสยาติมีใส่เอามาให้เขากลินวดันนววคดคุอย่างขัดจีเดท่าว่าเบาบางเข้าสไดายังฉั น, นใ ส, ส่เคืองไฟและเครื่องอาหารอะไรที่จนะัะ เมื่ไปตั้งแ้วแเขาวายแล้วฉันึงมืดจนหอนเรี้ยกหกขีให้กับป่านั่ะไม่แก่มันกินเล็ข้าว่มยุศโมยอนโมคอนโมฝันเ่าที่ไรยังฉันนัำขาวอยูง่งว่ามันกลัวมาอาบินดอกินเขาก็เกลือเต่าข้าพ่อใจ่พาอวานาเกืือฝนทงในว่าเจ้าทรงสารโยนฉันข้าวกรได้ขาดทุน ข้าสังเกตข้าไใดทุกท่าทุกคนเะข้าวใดเ้านักแม่พาวาน่าของข้าวสติสัญญาของวันเป็นเพีงไหนยิ้มแก่ของาเป็นเพงไหนสั่เน่ามื่อข้าวนักของแม่พาวาน่าของข้าวเน่าเมื่อข้าวละเ้าวเลียงมันยิ้มแก่เขาเป็นเพงไหนสั่งแค่ตนยนติจับใดทุกคนด้วยนับธิรเจ้าของเน่าเม้เอข้าอยู่ตามเงื่อนทีมากันป่วย แวมันแลวมันเปไปไยิกเางไหนกขก็ถจไหะมันเห็นลยๆอยู่กที่อยาาม้มีอสระสิทสร็จอยู่เพรา น, อนั่นคคนละบอลหยวกประจองเอวไม่เอาของปองขางคิดแบบก้เนไปยังไงฮะข้อก็ถงจับได้ยังตัวทำทุกคนรตามมันนั่นไม่อันนี้มันเลมันรักเขาถึงยังไงเขาัวจับ กูเจังเลยเขาของจ้างกูควบควบกูเอินนี่จังเาองของจงกูเขาเ็นเหรอเขาเห็นด้วยเขากินเราเขากินเหรอาเห็นด้เขาเอาเขห็นยอือหอ่างเลยกูเนกูเนเหเห็น้ยกูกบัก็จีบเห็นเ้วหรอว่างเบุญหลังวะเลยว่าหมาตากราฟ้าจไนนบั เล้าามาลนี่าแกก้าัว่บอกงวเพลย์น้อทั้งเกล้าเท่าไรทุท่านทุกคนน่ะเข้าไหเขานักไม่เข้าวานาข้าเข่อสติปัญญาเขาันถึงยังไงจิ้ใจของเข้าไปยังไงสั่งาได้เขานักของไม้เข้าสติปัสสาวาณาญาติได้เข้าละเขาเลิงมันยิ้มใจเข้าไปยังไงสั่แ้อนทิจับใดทุกคนด้ นักพรุธองนั่นไเขายูตามเขเยอมที่มา ก, การกล่ยรยรยรยวยแล้วมันแล้วมันอีไปยืนคิดใจเามันเป็นยังไงอขอเขาที่าแก้กแเนี่ยั่งเมันเห็นบ่อยๆอยู่ทีนทที่อยกชี้ยากตามเรามีอิสระสิเสรนอยู่พระนั่นมันความบกวนลองกรองเอวไม่เอาของกรองขางคิดแก้เป็น ไ, ไปยางไงฮะข้ก็อยู่หจับแต่ยิงจะททุกคนอ่ะลดสาบมัน ไม่รบอันนี้ก็เ้รักษ์องนีเนหงจานหงจวบกเพื่อนอื่นนี่งจอยู่เาอเห็นอเยขากินเราเขาก็กินเเห็นา่เอาไงหอวอะไรูเ็นก็เ็นเห็นยูับก็จบเห็นยู บุญหลายตัวไม่เนี่ยวา home ขขาเท้าฟา่ับรมาปฏิบัติเผื่อราคามาแล้วนี่ว่าเจ้า่างตัวไเนี่ยผมบอกงงไปฉันไม่ไปเปลี่โก้เปลีว่าไหมอย่าอกหาคนตายได้ตัวเดียเจ้ายหนคนแรกม่หยุดบักโอ้ไบุลัวเนียต้องไหวาาปฏิบัติบุญของจะของ ไปไปมืไปไปมอนเลี้ยงเลู้ยงเลี้ยงน้อยกจะต้วงเหมือนฝอยตวงเมืนฝอยต้วมนฝอยาสมบัติเหมืลยงเล้ยงนอจะทำร่งทำร่งเหมือนกันเพรางมันปูกอยู่อ้ยสุดยอดเลยกว้างขนาดนกว้างเท่กว้ขนาดผู้โชคหยน้ำกว้ขนามหายใจออกคอออกหยอุ่นกว้างขนอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาหายอุ่นเราเขามีแล้วกั้างนด้วยกันเน่าหาย วกันทุกขกันเหวเอาทุกข์แล้ยังหายใจเข่าหายใจออกเขาจะเียยังไงสารภเสียกันอัดพูดังมงดูคนดดันตายก็ควรเอานั่นเสียงยังเสียงตายอย่ไรำบเสียงยเสียงไขเสียงปืนเสียงไอ้วนน่นเสียงไข้่งเสียงว่าเม่ยงไม่เสียงปืนคือเสียงตายเสียงเสียงไข่โอ้ย ตัวไหเ่เะเข้าหน้าเอาเจลกหะเออกเอาจ้ลกอ้าเฮียพี่อเหีนะจาี่เก้าจะกองกข์เอากองลูกขอ้าเียจากพี่เกล้ี่ทว่าหลบเห็าเห็นจะกองกตัวนึงใช้ันลูกคนเอาเจอาอันนั้นอ้เียากพี่เก้าพนในฝ้าอย่างพี่เกล้าพอบัน มันมีผ่านคนบริสันนตัวคนอยู่ในร่มหายใจออกคนบริสันคนตัวคนเย็นคนบรเย็น น, น, นลูก ค, น, กค น, กนบรูกมันผานดักนิบดดัตบดหลักหลปจากซัจา ก, จาก ค, คลผู้รู้ก็ต้องขึ้นเหรผู้รู้ใผู้เห็นต้องขึ้นเหผู้เหเสียงยังซัดยังไล่ยังสอบเบื้องลูกนเห็นาัด เนียบใร้สับทังหายับจึงไม่ต่างพอมาสอบบางรูกเงียบใร้สับทั้งหายจึงไม่เฮพอสอบค้าเสียงเงียบใร้ซับจึงไม่ดังพสอบดวงกิ้งขางหมอกของสูเงียบใช้ซับทั้งายจึงสอบไม่ลดไม่รีบ ทดสอบนิ่มลด เ, เห็นใช่ไหมครับทั้งหลายจึสอบมือกายเพราะต้องการเย็นห้อนอ่อนแข็งกระทบกระเทือนทิ่งที่ต้องการหลายหนึ่งเพื่อร่างกายผู้หญิงกับผูช้ชายกระทบกันไม่ว่ากับสาวและต้องการอะไลเห็นใช่ไหมครับทั้งหลายจึงมีใจนะเพราะครัทั้งหลายาายังมีท่านเบือท่า ความนึกคิดนะฮนั่งสอบว่ามันขู่มันขู่เลามันเขามันทรัพย์มันบุคคลนะครับทั้งหลายจึงไม่ความนึกคิดจึงอยู่น้ำอันหนั่งึงไฟน้าอันนึงจึงนอนน้าอันนอันนเป็นอาหารของไก่คนภรยาเจ้าว่าเป็นักศกเบื่อมัล่ะตากะบือลูกกะเบือหูก็เบือเสียงกะเบือทั้งฝายนอกฝายในเขาบ่าหล่งความนึกคิดเสียงกะเบือบ่าหล่ะไม่ถือว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นทรัพย์เป็นบุคคลของว่างเด จัดเป็นสังขารใจจัดเป็นสังขารวีจิรจัดเป็นสังขารใจจัดเป็นมโนสังขารเลยปฏิของยังสังขารทั้งปวงจนพาเรยเจเป็นที่สังวาลุเปนที่สังวาเห็นท่านะล่ะเมื่อปฏิใจใจน้ำรู้น้เห็นไม่ได้ไปสังคันฝนสังคัตัวออย่างเ็ได้รู้ผลไปวิญญาณปฏิสัมพิกเราบกไป้่วันห ศัตร์เขาไได้เกิดไม่ได้เกิดนแกนในเ่เ้มนสายนี่รู้ผู้เห็นนอดีตนอ น, นาคตนี่เพื่อาบันพราสรูลงมาบ้างล่ะนักมวยเอกเ้มนมวยมันแห้งรวบมัดมากามัดนะี้ยกอดอิงจริงมาเดียวเออกรรมาการแกท่านกับท่านเพาท่า น, นก็หล่มตึงหลดหนึ่งสองสามสห้าหกเดแปดเก้าิดนีมารุกข่ามเขาเลย ถ้าเกิดขนาดออเานวันนี้แกกล่ามาแหละขนาดฟองร้งแล้วติงไม่ได้แล้วฟ้องล้องบ่มึงสุปรรีุ่สอยกุสลรท่านมึงงอไส้ดีนได้กูกลารท่านมึงนดกแก่คนสมับราเนีใจงสัยบเนอดีตนอนาคตนปุัง พอไปทาไหนเห็นของพุไปทาไหนเห็นแต่ของจิตตะเวื่ดตะนายเห็นแต่ของเก่าว่ามันของใหม่ของเก่าะจะคยล้มมากแต่ไอจะ้องคนตัวบ้านเนี่ยคุณ่มาลอเกิดล้มแก่ลงเจ๊ล้มตายอีกคนตัวมันยัยินดีมันจะมาอหีอย่ยงมันยินดีมันจะมาคือห้องกายไปเนี่ยห้องยินโมเสดายยัเลี้ยวบนห้องยังบมเลี้ยวขึ้นมาบนอ่างเียว่มเสดตายยังเล้าวหลัง มั like CPU. นเคยมาหวงพมันเรี้ขึ้นมาทางงีเป็นเกษตร้มันมันสัตว์ลยะแม้ว่าการสังสารอันหนึ่งกูเป็นมันกูว่าใหนเนเกิดงาพวกสัได้แบบนี้เลมาแก่มาเก็บมาถ่ายมาหิ้วมาอยากมากินมาขีมาเคลือนมาเามาเน้นมาผาผามาฟ้นไม่เงีไม่แยงกันนี่คือสนามเวริสนามไฟเลยส่มันเห็นสัตว์กัตวเลย มันก็เบื่อกระนายมันก็ค่ายเมาเย่าเบียดเย็นเยนเนี้ยบอมันเบื่อกระนายค่ายเมแบบดปลูกข้อตายนีูกข้อตาย่ปลูกค้มหลงขนานมันตายอ่ะค้มหลงมันตายไปเมื่อไ่เมื่อค้งสลาดมาตายไปเองมันมันก็ขบวคตขึ้นมันเนี่ยขบวั้นเดี่เดียวว่ามันรูปัสตอนนั้นมันรูปัสอะไจ้ามันขบวัตขบวัตขึ้นไอ้จิงจะนทรงไม่ดีในคลราวา มันถื่ยินดีไปงั้ น, น, นแค่บอยเ่านนกตะักฝ่าดิดนนักเงั้นพเอาจะพุ่มพวงโลกมัองมากนักยนอกเอาเที้เจ้าคือยุคข้อสองหนึ่งวันี้นเอารักประเทศไทยดีเพระแค่คำเอาเท่านี้เจ้าจา้างขาเอาอะไรก็ ห, กห้ามมีเงินป็นปัานงทว่า เขามืนโจิคาร์นใ่ไห้อขจะเหาือนจหายยงไมพิจิตรนี่ตรงจิงร์แ่มันไฟเขาโมห้องมันไฟของเก่าอย่างนี้นะเขาเป็นของเก่าเขาเมื่ไหร่บ้าเป็นบ้าปก๋เป็นปุ๋ยนิดเดียวมันนะมางานได้สยก็จะ้าสิบอ้วพิจิตไปทาน มันก็มาถามลูกู่คนนี้ว่ย่งไรกับกระเดียนแพงไรสนยังบ่รับั่นนอนบ่รับไั่นโ้ยถามวาแล้วมันเป็นอันเท่ารับกับรับควเนอรับกัรับค่านึคนธรมาบ่รับกับบ่รับค่านึกคิดธรรมะอเท่าเนยอื้งโลมีไรสั่นว่าจ้อยู่ล้านพระเนี่ยพูดถลอกมันถามเจ นกนี้ยเดี๋ยวนี้คิดติดยันโอ้โหเนี่ยเฮ้ยไปถึงว่ามารับเราแต่เขาถามจังๆนู้เรื่องทุถามเองถ้าถามมันแฉงหน่วยนงปูไม่ได้ขึ้นที่นั่งเรื่องเราคือเกิดคือทำธรรมะเ่ากิดกับว่าิดทำธรรมะรับกัรับค่าธรรมะว่ารับก็บว่ารับค่าธรรมะนั่นแหละว่ะแล้วมีงนสร่างงานหลวงปูว่ะงานอะรอื่นบ่มีสมัยนั้นเขียมไา่เลยว่าเียมเนาอื่น้วมันเป็นของภายน่อไ ทุกเมื่ม <niet Question. S 1> ื่ไก่เกียตายเมื่อไก่ยอมตายเท่านั้นเลยอย่างนีวะบอกวนเนีนมันเป็นของสำัญการเียนต่อแยกไปด้วยเขาเชื่อไหมในเืองพุท้าเขาคิดว่าเขอเป็นจิตตัวนี้เยยตายดยกเชยนี่ก็เกี่ยวกัวเีตายแล้วในทุกเ่อเห็ธรรมะข้าขายข้าธรรมะวนได้เนาะเาเรียกไกว์เท่านั้น กูดูตากูดที่ย่หน้าอันไหนสมมติเรือกไหวขนาดตายข้าพี่างหน้าอัไหนสมมเรือกไหวขนาดเลือกได้ก็ติดตายข้าพาวนะ่าน่าเนี่ยคือกาเนี่ยเพื่อโลกวใจไว้ส่แสดง่าพี่หันดูคอนเทนต์มันจะดีแต่สมมติจะคมโตมันสิกรเ เป็พวกฟงจบก็ใ no, ส no like well, ่ในพเจจบกั้งาหยุดก็เสียพนมาข่าหรือว่ามีะบเสีนาเสนาเท่ากันมับันหมดเสียพนมาข่าขอมอนั่นเนะาาทตากามาก่ามนเร่งนี้อีจะตนนสจะพาั ขอพ่อยั่ไมถึงม่คืเป็นคนในกตน้คู่หกับมองห้องคนประมาตดใจที่บอกว่าคนมากมายเนาะมีเราอุปมาที่คอะไรในโลกคหนตอนนั้นข่าไปเจ้าพระพันตอนหลกตอนนี้ข่าไปเจ้าพระ้ันเอกตอนหลกคบว่าเราเปนสอนนั้แล้วมันเป็นโส้นสดคน ตอนนั้นเลาขับรขบอกว่าในตอนโลกตอนนี้เราขับรขบอกว่าในตอนโลกเป็นคนพี่้องห้องเปมดเลยว่าตัวอนเมื่ล้ยงขับห้องห้องเกิดจากยาเสพติดวงห้องห้องเป็นระบิระบาดอะไรก็ส่งมาบม่ดีนกับสัตวาไ้หอกนี้่เนี่ยตรนี้บนบบังบังนไดบันึงเขาขบติดเตียงโซ่ห้อยู่บนห้องฉันเราเขาป่าโน่น มีข้อบอดอไรเงี้ยนเื่อมบนหลังแยกบ่อนเยบ้านถิ่นถิ่นขุนท้อนท้องานแหลวอันนี้จังขุนท้างอนนีต่ำเพาะคำพิศษหน้าเนืองๆแต่ว่าน้ำขังทางหลายในเที่ยงขั้นทางหลายจงยำประโยชน์ตนและันให้ถึงความไม่สมมาเมิดใประการตัวนี้เนี่ยจงยึดทําประโยชน์นไม่ประโยชน์ันให้ถึงควมยความไม่สมมาเมดใประการอันตัวนีเน่ยอยูี้จะเชื่อมข้า มยุดมาเถอะพี่มาคนี่เหรอนีอ่หลายคนบางคนมันมม่นไม่แต่รุ่นพ่อระพาสมมข้างในห้งซือเออต้องซื้อมาให้ไวใช่ไหมนไหนองซื้อม า, สสอมาพสันพวาณารองเขาทำใหเห็นไทยในวัตาสงสารในมันเบือมันนายมันค่ายมันเมาในัาษาสงสารนะ ตาเป็นแต่สักว่าตาหงอยเป็นแตสักว่าหงอสมมติเป็นสักว่าสมมตินสักว่าสมมติเป็นการกายสมมติเป็นการใจสมมกันอดีตพิจารณาอดีตตามเป็นจริงของอดีตพิจารณาอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตพิจารณาปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแล้วมาติดอยู่พิจารณาเฉยพิจารณาให้เบือหน่ายพิจารณาให้ทํางานสนใจอ่านว่าสนใจตัวดาวันตากข้าวนี่หน้าข้าวนี่สนใจตั้งออกจากวัตรสาส่งสาลตํามกันโนมา สนแต่สน้องเว้นสน้อ ง, องไพ่ในโลกยินดีอันว่วนายินดีพระอริยะบุขคลงต้นยินดีธ น, นิพาพระอริยะบ่อนาพอแล่ทำก่อนอ่านว่ายินดีในวันเจ้างใจยังวันเด็เสื่องยินดีสียังภูงยังคงยินดีจะสอนดอกไม้ มันยินดีทิกกรรมเว่าพระอะหันมัยินดียิ่งไหลเว่าพระละหันพอ้าใจในทางบาปก็เชื่อยินงดีในบาบก็เชือถือว่าเห็นว่าเห็นบาปเลยเห็นคนบายินดีนั้นต้งบาปฉนยินดีข้างไม่ผ่านข้างรับทุกในวาระสงสารผมคือว่าพระละหันมัยินดียินงไหบว่าเม่ นมีชีวิตอยู่คนเอาต่อุเบกขาบอกมาสร้างสอนนเอาใจอุเบกขามาสร้างสอนนะแต่ค้คิดเือนทำไมไม่ได้อยมีแต่กอัารอุเบกขาถสั่งตวเหลือไม่ใช้แล้วบอกเจอไหนก็บ่าฟังทำาจอไหก็บ่าฟังถอยเจอไหนก็บ้ารอนาตั้งแ่้ายไอุเบกขาเลยเพราะว่าจะสาสนานมเี่ยวกับการหยาดจิตเลย มันขอดีซอยเหลือใด่องขายซอยเหลือแล้วก็มีอาความนข่ายของสสีกกณของสเกินทุกนูาความความยินดีว่าสิไม่ดีตอนแรกเขาได้ดีตอนนดีเม่อเช่อมือตอนแรกเขาไรักง่วนรัก i ้อแต่เป็นยินดีนั่แต่ทีว่าเขาได้ดีพแมเนี้ยอมที่เปนอาน้ามก็เพรามเนี้ยคุณเดาความรงเสน้ใจอยู่ พระคือพระเจ้าทัพมันเหลืสายเห็นพระพุทธเจ้าจีเนสตาจีเนเม่อไรเย็เมื่อไรเมื่อว่างเสรีขนทางกองทัพนอกมันเลือใยอัดนมีสุคือยังเท่าข้าไปมันเปโทษทั้งนักมากมันเหลือใสายมีคนจีเนม่อไรเป็นว่าเสรขันีคนเามาได้มันนึงคนจอไเหลิกเฟยไ้ไสัมากก่อน นี่กินแน่ <BE> ううินแเรานจะขาสนแต่มันเล่แเราาล้วนยไม่ใส่อนันต่ำมัตมามันแนนเพราะคุมอใจ้างเลื่อนข้าคุณไม่พลาดันลืนมาเล่าสิงใม่อะไรโคชัญญาเมั่อใดก็เไม่รู้ว่าตวนตายจนมาในวันทนี้้โรยทั้งาสันทีมาฮัลเลียนนีา มาตั้งเียงมาตังุังการทำความเพียนเขาเกอดกาลังนี้มีความดีกระตุ้นกำลังเป็นโยธรรมที่ใดเห็นทําในปัจจุบันผู้นั้นเนี่ในวันแรกความเพียในทางวัสสนม่เลยผู้ใดไม่เชื่อธรรในปัจจุบันเริ่มจะต่อสูวิปัสสนาเขาจะสงสยถึงสมาธิปัญญาอยู่จนมันมีลกรวงนั้นถ้าามพียรกใคร ในกรรมฐานพิจารวายนู้ดวิริยะเชืในรรมานพิจารวยนู้ดจิตต์อาศัยข้อิจาวานที่บางสามันติทรงพิจารณาผลในกรรมถานพิจาวนคุณติยานมีควรู้ด้ยแล้วอาจแนะนำมงคลนให้ถึงสิที่ต้ามาถึงตั้งมอเยสักความเชื่อในกรรมถานพิจารวายนู้ดวิริยะเชือในกรมถานพิจาวายนู จิตต์เอาใช้เข้าฝในรรมฐานจิตตังไหรูี่วางสายันจิตตังที่ชนะสุดฝนในกรรมฐานจิตตังรู้คนศิลานี่มีบริโภคแล้วอาจทา้งลำบากในสิ่งสิ่นชอบผสมทเนื่ยใช้ทักษะความเชื่อยาความเพียนปติภายในรู้ได้สติระลึกในกรรมฐานจิตตังไหรสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานจิตตังอโยรปัญญารอบรู้ในกรรมฐานจิตตังอห้ร โคตรงเกตสถิตความละเอียดได้ในกรรมฐานสิงไโนธรรมวิชญาตรทองกรรมฐานสิังวโนเียนในกรรมฐานสิจังไวโนวิญญาอินใจในกรรมฐานสิังไวโนพอใจในกรรมฐานสที่ติดิสงใจในกรรมฐานสิังวโนสมาธิังมั่นในกรรมฐานสิังไโน ปัญญาแยกเ่วงในปัญาที่รางมาเนอรเอบวางเฉยในอารมณ์อื่นที่สมาธิขวงเทอรรงรักษาอารมณ์นัวาให้ดีเนอรเลือตาเส่งสำคทรงไปเเลยสัเัหมบคะสำครคที่ต้องคิดทำชที่เกิดาการที่เการสี่ชั้นละอาการคืออีกสี่าสี่อีกสี่ห้าสี่ี้ส สติประธาน4ตั้งสติไว้ในกรมรมฐ า, านที่ตั้งไว้เนิ่มีกายเวสนาคิดทำเป็นต้นสมาทานสี่ก็คือความเพียร4อย่างถ้าเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้เนิ่มันเป็นเรื่องละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตัว